จนเข้าไปยึดติดในสิ่งนั้นเมื่อรู้ต้นเหตุเราอาจจะตัดความยึดติดเสียได้กิเลสซึ่งเป็นความยึดถือในสิ่งทั้งปวงนั้นในพุทธศาสนาเรียกว่าอุปทานแปลว่าความยึดติดจำแนกเป็นสี่ประการด้วยกัน 1. กามุปาทาน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 ตามหลักธรรมะในพุทธศาสนาขยายออกไปเป็นหกคือมีธรร ม, มารมเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงสิ่งที่ผุดขึ้นในใจจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้เกี่ยวกับวัตถุภายนอกหรือภายในก็ได้เป็นเพียงคิดฝันไปก็ได้แต่ทำให้เกิดความอริยอร่อยเพลิดเพลินทางจิตใจ ในขณะที่รู้สึกพอคนเราเกิดมาได้รู้รสของกรรมอารมณ์ทั้งหกนี้ก็ยึดติดในอารมณ์นั้นและยึดยิ่งขึ้นเป็นลำดับลาดับอย่างแน่นแฟน้นเหลือวิสัยที่คนธรรมดาจะสอนได้ฉะนั้นจึงเป็นปัญหาสำคัญ ที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องและประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องต่อสิ่งเหล่านั้นมิฉนั้นความยึดติดนี่แหละจะนำไปสู่ความวินาศฉิบหายขอให้เราพิจารณาดูความวินาศฉิบหายของคนทั่ ว, วไปตามปกติจะเห็นได้ว่ามีมูล ม, มาจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่น่ารักอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวแล้ว ทุกอย่างที่มนุษย์ปุถุชนทำกันอยู่ไม่ว่าอะไรล้วนแต่มีมูลค่าจากกรรมรมทั้งนั้นคนเราจะรักกันโกรธกันเกลียดกันอิจฉาริษยาฆ่าฟันกันหรือฆ่าตัวเองตายก็จะต้องมีมูลมาจากกรรมรม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 แม้แต่เรื่องทำบุญอธิษฐานได้ให้ไปสวรรค์ก็มีมูลมาจากความหวังในทางกรรมรมทั้งนั้นรวมความแล้วความยุ่งยากปันป่วนของโลกทั้งสิ้นมีมูลจากกรรมรมนั่นเองกรรมรมมีอำนาจร้ายกาศถึงเพียงนี้ก็เพราะอำนาจของกามุปาทาน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 เป็นสิ่งที่พอมองเห็นและเข้าใจได้ไม่ยากพอเราเกิดมาในโลกเราก็ได้รับการศึกษาอบรมให้เกิดมีความคิดเห็นชนิดที่มีไว้สำหรับยึดมั่นไม่ยอมใครง่ายๆนี่เรียกว่าทิฏฐิลักษณะที่ยึดติดในความคิดเห็นของตนนี้เป็นไปตามธรรมชาติเขาไม่ติเดเตียนกันนักและเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้แต่เป็นโทษภัยที่ร้ายกาบ ไม่น้อยไปกว่าความยึดติดในของรักของใครถ้ายึดติดในความเห็นเดิมๆของตัวอย่างดื้อดึงแล้ ว, ลวก็อาจถึงกับจะต้องปรับปรุงทิฏฐิของเราให้ถูกให้ดีให้สูงยิ่งขึ้นคือจากความเห็นผิดให้กลายมาเป็นความเห็นที่ถูกต้องและถูกต้องยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดชนิดที่รู้อริยสัจดังที่ได้บรรยายมาแล้ว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 ที่ค่อยๆ อ, อบรมสะสมกันมากขึ้นมากขึ้นทิธฐิต่างๆนี้เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็มีความเข้าใจเอาเองตามความโง่เดิมๆของตนเช่นเห็นว่าสิ่งนี้น่ารักน่ายึดถือสิ่งนี้เที่ยงแท้ถาวรเป็นความสุขเป็นตัวตน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 ทั้งๆ ท, ที่ตนเห็นว่าต่ำหรือผิดก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะเขามักถือเสียว่าดิดามารดาปู่ย่าตายายเคยถือกันมาหรือถ้าไม่มีเหตุผลอะไรสำหรับจะแก้ตัวขึ้นมาจริงๆก็ว่าเป็นสิ่งที่เคยถือกันมานมนานแล้วเป็นต้นเพราะเหตุนี้เองพุทธศาสนาจึงถือว่าทิฏฐินั้นเป็นกิเลส ต, ตัวร้ายกาศ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 ในการประพฤติกระทาที่ทำปรมประลาสือกันมาอย่างงมงายไร้เหตุผลหรือที่คนนิยมเรียกกันว่าขลังศักดิ์สิทธิ์คิดกันว่าเป็นสิ่งที่เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้และไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคนไทยเราทั่วไปก็มีสิ่งนี้กันไม่น้อยกว่าชนชาติอื่น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 ข้อนี ajo, right. <off> ้เป็นเพราะเมื่อประพฤติรมข้อใดข้อหนึ่งแล้วไม่ทราบความมุ่งหมายเดิมไม่คำนึงถึงเหตุผลได้แต่เหมาสันนิษฐานเอาเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นคนเหล่านี้จึงสมาทานศีลหรือประพฤติรมแต่เพียงตามแบบฉบับตามประเพณีตามตัวอย่างที่ทาประดมประปราสืบกันมาเท่านั้นไม่ทราบเหตุผลของสิ่งนั้นๆ เพราะประพฤติมาจนชินเกิดการยึดถือเหนียวนั่นชนิดที่แก้ไขยากอันนี้เรียกว่าความยึดติดในการปฏิบัติที่เคยกระทำสือกันมาอย่างผิดผิดหรืออย่างงมงายไร้เหตุผลแม้วิปัสสนากรรมฐานหรือสมถกรรมฐาน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 สอัตวาทุปาทานยึดมั่นโดยความเป็นตัวเป็นตนความยึดมั่นว่าตัวว่าตนนี้เป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งเร้นลับอย่างยิ่งสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดย่อมจะรู้สึกว่ามันเป็นตัวตนของมันอยู่ดังนี้เสมอไปอย่างช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นสัญชาตญาณขั้นต้นที่สุดของสิ่งที่มีชีวิต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 มันจึงอยากหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายอยากต่อสู้เอาตัวรอดหรืออยากสืบพันธ์ของมันไว้ความยึดถือว่ามีตัวตนนี้มีประจําอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมันจะมีชีวิตรอดมาไม่ได้แต่อันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความทุก ในการแสวงหาอาหารในการต่อสู้ในการสืบพันธุ์หรือในการทำอะไรทุกๆุกอย่างฉะนั้นจึงกล่าวว่ามันเป็นรากฐานแห่งความทุกข์ทั้งปวงด้วยข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นใจความโดยสรุปสั้นที่สุดว่าสิ่งต่างๆที่มีคนมีอุปทาน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 ประจำอยู่เสร็จแล้วในตัวไม่ต้องมีใครมาสอนอะไรกันอีกเด็กๆหรือลูกสัตว์ตัวเล็กๆพอเกิดจากท้องแม่ก็มีสัญชาตญาณอันนี้มาด้วยเสร็จเราจะเห็นได้ว่าลูกสัตว์ตัวเล็กๆ เ, เช่นลูกแมวรู้จักขู่ฟู่ฟูในเมื่อเราเข้าไปใกล้มันนั่นก็เพราะ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 จนเอาชนะสัญชาตยานข้อนี้ได้ถ้ายังเป็นคนธรรมดาคือเป็นปุถุชนอยู่แล้วย่อมไม่มีทางที่จะเอาชนะสัญชาตยานข้อนี้ได้เลยมีแต่พระอริยเจ้าอันดับสุดท้ายคือพระอรหันต์เท่านั้นที่จะเอาชนะสัญชาตยานข้อนี้ได้เราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเลย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 ให้อยู่ในอำนาจของปัญญาเราก็สามารถดำรงชีวิตนี้ไม่ให้มีความทุกทรมานหรือทุกแต่น้อยที่สุดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่การงานหรือมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ในลักษณะที่เยือกเย็นมีความสะอาดสว่างสงบเย็นอยู่ได้ขอสรุปความว่า อุปทานทั้งสี่นี้เป็นปัญหาเดียวกับที่พุทธบริษัทหรือผู้ประสงค์จะรู้จักตัวพุทธศาสนาจะต้องเข้าใจให้ได้เพราะว่าวัตถุประสงค์ของการรักษาพรหมจัน์ในพุทธศาสนานี้ก็เพื่อทำให้จิตหลุดพ้นจากความยึดมั่นที่ผิดผิดท่านทั้งหลายจะได้พบคำกล่าวเช่นนี้ในท้ายบาลีทุกๆสูตรที่กล่าวถึงการบรรลุธรรมของพระอรหันต ซึ่งในที่นั้นจะมีคำว่าจิตหลุดพ้นจากอุปทปานแล้วก็จบกันเพราะว่าเมื่อจิตหลุดพ้นจากความยึดมั่นแล้วก็ไม่มีอะไรจะผูกพันคล้องจิตนั้นให้ตกเป็นาธาตุของโลกหรือเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเรื่องจริงจบสิ้นกันหรือกลายเป็นโลกุตระคือผลโลกเพราะเหตุฉะนั้น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 ให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเอ่ย